ไม่่รกบเราไม่มีเงินไม่ ม, มีแต่เราิีาไปยงไมันไม่มี ม, ม, ม, นน ม, มีคุณค่ามากกว่าเทเป็น้านพันถ้าเาทได้เราจะไดุ้ ม, มากมากกว่าการาง้ห เ, เป็นเหมือนกับลิงถ้าลิงมันไม่มีเชือกผูกไว้เนี่ยแล้วผูกไว้กับต้นไม้เนี่ยมันก็ต้องไปของมันทั่วไป็มมันไม่ยอมอยู่กับที่หรอก ถ้าเราเอาเชือกผูกคอมันไว้แล้วผูกมัดมันไว้กับต้นไม้มันก็ไปไหนไม่ได้ตอนต้นมันก็อาจจะดิน้นอาจจะสู้แต่ต่อไปสักระยะหนึ่งมันก็จะเหนื่อยมันก็จะหมดแรงพมื่อมันหมดแรงแล้วมันก็จะยอมนี่แหละคือสติและสามารถใช้สติเป็นเครื่องควบคุมจิตใจเราได้เวลาเรามีความโกรธถ้าเรามีสติรู้อยู่เราก็จะสามารถระงับความโกรธได้ถ้าเรามีความโลภเรามีสติรู้อยู่เราก็สามารถระงับความ ความโลภได้เพราะฉะนั้นสตินี่มีเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเราไม่มีสติแล้วเราจะเป็นคนที่เหมือนกับรถที่ไม่มีเบรกจะทําอะไรที่มักจะลยอยเถิดไปเรื่อยแล้วก็สร้างสร้างผลเสียหายให้กับตัวเราเองเป็นคนที่ไม่น่าเลื่อมใสใครเห็นหน้าคนเห็นหน้าก็เบื่อหน้าบอกคนนี้เป็นคนสติแตกนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดนึกอยากจะว่าใครก็ว่า โดยที่ไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลว่าควรจะพูดอะไรหรือไม่ควรพูดอะไรปล่อยให้อารมณ์พาไปเป็นคนที่ไม่น่าไม่น่าคบค้าสมาคมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะประกอบคุณงามความดีทำตัวเราให้เป็นคนดีไปที่สูงที่ส่งได้นี่เราจะต้องอาศัยการมีสติการมีสตินี่ก็หมายถึงว่าเราจะต้องมีสติและลึกรู้อยู่กับตัวเราเช่นว่าเรากาลังทาอะไรอยู่ ขอให้เรารู้อยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เรากำลังพูดอะไรขอให้เราเรารู้อยู่ว่าเรากาลังพูดอะไรคือให้ใจเราอยู่กับที่ปัจจุบัน like, อยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ไม่ให้ใจลอยไปที่อื่นออถ้าใจลอยไปที่อื่นแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่นี่บางทีเราก็เผลอบางทีถ้ากำลังหั่นเนื้อหั่นอะไรอยู่นี่ดีไมดด่ดีก็หันไปที่นิ้วเราแทนที่จะไปหันที่เนื้อที่เรากาลังหั่นอยู่หั่นผักหั่นเนื้อ แทนที่จะหันผักหันเนื้อกลับไปหันนิ้วเราเพราะใจเรากําลังคิดถึงเรื่องนู้เรื่องนี้อยูอ่อย่างนี้แสดงว่าไม่มีสติถ้ามีสติแล้วเราจะต้องรู้อยู่ทุกขณะว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อย่างเช่นเวลาเราจะเอาร้อยเข็มร้อยด้ายใส่รูเข็มอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีสติมั่นใจเราไม่มั่นเงี้ยเราจะไม่สามารถที่จะร้อยได้เขา้ารูเข็มได้เพราะใจเราจะวอกแวกใจเราจะลอยไปลอยมาแต่ถ้าเรามีสติ ควบคุมจิตใจให้มั่นเยานี้แล้วก็สามารถที่จะร้อยได้เข้าสู่ร้อยรูเข็มได้อย่างง่ายได้นี่คือลักษณะของของความว่ามีสติอันนี้เป็นธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งควรพยายามจเจริญให้มากควรพยายามให้มีสติอยู่กับตัวของเราเองก็ได้หรือว่าเราจะเอาสติผูกไว้กับพุทโธก็ได้เช่นเราจะทําอะไรแล้วก็ให้ระลึกถึงคําว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจของเรา อย่าให้ใจเราลอยไปที่ต่างๆนาน า, นานาอย่าให้ลิงของเราคือใจของเรานั้นไปผูกมันไว้กับต้นไม้ต้นไม้ต้นนี้ก็คือพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราสามารถผูกใจไว้ได้ใจเรานนที่สุดก็จะสงบตัวลงเป็นสมาธิคำ <c oughs> ว่าสมาธิก็คือใจตั้งมั่นใจไม่ลอยไปลอยมาให้ใจอยู่ตรงนี้ก็ตั้งอยู่ตรงนี้เหมือนกับน้าแก้วนี้ที่ตั้งอยู่ตรงนี้มันก็จะอยู่ตรงนี้มันไม่ไปไหน แสดงว่ามันอยู่กับที่ใจเราก็เหมือนกันถ้าใจเรามีสมาธิด้วยอาศัยสติเป็นเครื่องควบคุมใจเราก็จะตั้งมั่นเมื่อใจเราตั้งมั่นแล้วเราจะสามารถทำอะไรหลายอย่างได้ yeah. เพราะฉะนั้นนอกจากที่เรามีศรัทธาแล้วมีความภาคเพียรแล้วมีสติแล้วขั้นต่อมาเราจะต้องมีสมาธิด้วยใจเราจะต้องมั่นตั้งมั่นในสิ่งอะไรตั้งมั่นในเรื่องของคุณงามความดี โดยปกติคนเรานี่มักจะตั้งมั่นอยู่ในคคุณงามความดีไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะใจเรามันชอบลอยไปลอยมาตามอารมณ์บางอารมณ์ก็ทำได้บางวันถ้าอารมณ์ดีก็อยากจะทำบุญก็ทำได้แต่บางวันถ้ามันเกิดอารมณ์ไม่อยากเสียอย่างเนี่ยมันไม่ทำแต่ถ้าใจมีสมาธิแล้วใจมันตั้งมั่นอยู่แล้วมันจะทำอยู่ตลอดเวลาเรื่องของคุณงามความดีการละความชั่วก็จะง่ายเพราะใจมันตั้งมั่นอยู่ที่จะ ตั้งใจตั้งมั่นอยู่ว่าอยากจะละความเชั่วก็จะละความเชั่วอยู่เสมอความดีก็จะทำอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ได้ที่จะให้ได้ผลจริงๆแล้วเราจะต้องมีความตั้งมั่นก็คือความมีการมีสมาธิเพราฉะนั้นการฝึกหัดทำสมาธิโดยสม่าเสมอนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเราต้องพยายามทำอยู่เสมอทำอยู่เรื่อยๆอย่างน้อยวันละครั้งสองครั้งเช้าตื่นขึ้นมาปั๊บ้งหน้าล้างตา เส็จแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์การสวดมนต์ก็เป็นวิธีทำสมาธิอย่างหนึ่งสวดไปนานๆถ้าเราสวดได้สวดทักครึ่งชั่วโมงทักชั่วโมงอย่างเงี้ยใจจะเย็นใจจะตั้งมั่นอยู่ใจจะไม่ลอยไปไหนหรือว่าถ้าเราไม่อยากสวดเราอยากจะนั่งทําจิตให้สงบโดยที่นึกถึงบริกรรมคําว่าพุโทโธพุทโธอยู่ภายในใจเราเราก็ทําได้นั่งหลับตาแล้วภาวนาะพุโทโธพุโทโธพุทโธให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงแล้วแต่เราจะทําได้มากน้อยแค่ไหนเราทําไปอันนี้เป็นการฝึกขัดทําใจให้ตั้งมั่นพยายามฝึกหัดไม่ให้ใจลอยไปลอยมาเราต้องอาศัยสติเป็นตัวคอยดึงใจไว้ถ้าเราทําไปโดยที่เราไม่มีสติใจเราจะลอยไปเช่นถ้าเราสวดมนต์ไปแล้วใจเราไปคิดเรื่องอื่นด้วยอย่างเงี้ยแสดงว่าใจมันลอยไปแล้วแสดงว่าเราไม่มีสมาธิเราไม่มีสติเช่นเราสวด ส่วอาหังสัมมาสัมพุโทโธแล้วก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้จะไปทำอะไรดีอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้ามันมีอย่างนี้แทรกเข้ามาก็แสดงว่าใจเราไม่มีสติเราสวดมนต์ไปแต่ใจเราไปคิดอีกอย่างหนึ่งอันนี้จะทำไม่ให้เกิดผลใจจะไม่ตั้งมั่นถ้าจะให้ตั้งมั่นจะต้องมีสติอยู่กับสิ่งที่เราสวดถ้าเราสวดอาลังสัมมาสัมพุโทโธก็ให้มีแต่อาลังสัมมาสัมพุโทโธอยู่ในใจอย่างเดียวอย่าให้มีอย่างอื่นอยู่ในใจน ให้มันเป็นหนึ่งอย่าให้มันเป็นสองนะเ้าเรียกเอกอารมณ์ใจเป็นหนึ่งใจเป็นใจมีอารมณ์เดียวถ้าใจมีอารมณ์เดียวใจก็ตั้งมั่นถ้าใจมีสองมีสามมันก็วอกแวกมันก็ลอยไปลอยมาใจก็จะไม่เป็นสมาธิใจก็จะไม่สงบเมื่อใจไม่เป็นสมาธิใจไม่สงบใจก็ไม่เย็นใจก็ร้อนร้อนเพราะอารมณ์อารมณ์ของกิเลสนั่นเองอารมณ์รักอารมณ์ชัง อารมณ์เบื่อหนายอารมณ์อะไรต่างๆทั้งหลายแหล่แล้วมันก็จะทําทให้เราควายเขว้ไปไม่สามารถที่จะประกอบคุณงามความดีได้ตั้งใจจะว่าวันนี้จะไปทําบุญแต่พอไปเห็นอะไรเข้าสักอย่างไม่ถูกใจเข้าเกิดเสียอารมณ์ไม่ไปแล้ววันนี้อย่างนี้เป็นต้นก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าใจเรามันไม่มั่นใจเราไม่ตั้งไม่มีสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นพยายามฝึกหัดทําสมาธิอยู่เรื่อยๆ เราสามารถทำสมาธิได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนในอิริยาบทไหนขับรถเราก็ทำได้แต่อย่าไปหลับตาขับรถไปก็พุโทโธไปในใจพุโทโธไปในใจให้มีสมาธิอยู่กับการขับรถอย่างนี้เราก็เป็นทำสมาธิกินข้าวแล้วก็มีสมาธิอยู่กับการกินข้าวอ่านหนังสือก็มีสมาธิอยู่กับการอ่านหนังสือทำงานก็ให้มีสมาธิอยู่กับการทำงานนี่ก็คือการฝึกหดสมาธิไป เราไม่ต้องรอมาเข้าวัดไม่ต้องรอหาที่สงบที่เงียบตรงไหนเราไม่ต้องมารอนัง่งหน้าห้องพระก่อนถึงจะทําได้อย่างนั้นไม่ทันการเพราะเหตุใดเพราะกิเลสมันทํางานอยู่ตลอดเวลากิเลสที่เราจะไปพยายามต่อสู้กับมันเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันก็ทําได้ความโลภมันเกิดได้ทุกแห่งทุกคนทุกขณะทุกเวลาความโกรธก็เช่นกันใช่ไหมความโกรธไม่บอกว่าเดี๋ยวขอรอให้ขึ้นเวทีก่อนแล้วค่อยโกรธขอขึ้นเวทีก่อนแล้วค่อยโลภมันไม่คิดอย่างนั้นหรอก พราะว่าเห็นอะไรปั้มมันก็โลภเห็นอะไรมันก็โกรธเลยฉันด้ดเราก็ต้องเอาธรรมะเข้าไปแก้เราต้องเอาสติไปเบรกเอาสติเอาสมาธิไปเบรกพยายามการต่อสู้กับกิเลสนั้นนะมันต้องต่อสู้กันตลอด24ชั่วโมงคือตั้งแต่ตื่นขึ้นมาถึงเวลาหลับเลยนะเราต้องพยายามตั้งท่าการตั้งท่าของเราคือการตั้งสตินั่นเองพยายามให้รู้อยู่ทุกขณะว่าใจเรากําลังคิดอะไรใจเรากําลังโลภอยู่หรือเปล่าใจเรากําลังโกรธอยู่หรือเปล่า ถ้าโลภหรือโกรธเราต้องมีสติระงับมันเสียบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีสิ่งเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟเมื่อโลภแล้วมันร้อนเมื่อโกรธแล้วมันร้อนเมื่ออยากแล้วมันร้อนเมื่อไม่โลภเมื่อไม่โกรธแล้วมันเย็นมันสบายมันจะไม่โลภไม่โกรธได้ก็ต่อเมื่อมีสติระงับมันนะเพราะฉะนั้นพยายามฝึกหัดสร้างสติอยู่ตลอดเวลาทําสมาธิอยู่ตลอดเวลา เวลาอยู่ว่างๆแทนที่จะไปหาหนังสือแฟชชองแฟชั่นอ่านหนังสือการ์ตูนอ่านนี้ก็เอาพุทโธขึ้นมาอยู่ในใจดีกว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจนนะแล้วใจจะเย็นใจจะสบายใจจะมีความสุขใจจะตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีนี่ก็คือธรรมะที่เราเรียกว่าสมาธิความตั้งมั่นของจิตใจที่จะเป็นเครื่องช่วยทําให้การปฏิบัติของเรานั้นก้าวหน้าจเจริญ ทำให้จิตใจเรานั้นจเจริญสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นอีกส่วนหนึ่งส่วนธรรมะอันสุดท้ายที่ที่เป็นเครื่องช่วยหนุนให้จิตใจเรานั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็คือปัญญาปัญญาก็คือความฉลาดต่างกับความโง่ความโง่ความโง่กับความฉลาดนันต่างกันเราก็รู้ว่าความฉลาดเป็นยังไงคนฉลาดกับคนโง่เป็นยังไงเราก็รู้คนโง่ก็ต้องไปเป็นคนกวัดถนนล้างถ้วยร้างชาม พ่อไม่ฉลาดคนฉลาดนั่นก็ไปทํางานสบายนั่งอยู่ใน office, ออฟฟิศห้องแอร์กรดกนิ้วก ด, กดโทรศัพท์เรียกสั่งคนนั้นใช้คนนี้เพราะเขามีปัญญาเขามีความฉลาดเขาสามารถเขามีความรู้ว่าจะควรจะทําอะไรไม่ควรทําอะไรแต่คนโง่นี่ไม่รู้ให้ไปพิมพ์ดีก็พิมพ์ไม่เป็น เ, เลยต้องไปล้างถ้วยล้างชามต้องไปเป็นคนตัดหญ้าทางหญ้าไปกวาดถนน องานอย่างนี้ไม่ต้องใช้ปัญญาใช่แต่ถ้าอยาไปทำงานที่มันพิเศษขึ้นที่ละเอียดละออขึ้นที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถก็จะต้องใช้ปัญญานี่ก็ลักษณะของคนที่มีปัญญาคือคนที่มีความรู้รู้ในเรื่องราวต่างๆแต่ปัญญาในทางพูมธศาสสนานี้เราเน้นถึงความรู้ทางเรื่องของทุกในเรื่องของพระอริยรรสัจสคือให้รู้ว่าใจเราทุกเพราะอะไรอะไรคือความทุกข์ใจ ให้รู้ว่าขณะที่เกิดความทุกขนะ์นั้นเราเรารู้อยู่หรือเปล่าบางคนไม่รู้ว่าตัวเองกําลังทุกขนะ์เวลาทุกข์เกิดขึ้นมาในตัวเองไม่รู้ว่าทุกข์หรือว่ารู้ก็ไม่รู้ว่าอะไรทําให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าคนที่มีปัญญาเนี่ยจะรู้ทันทีเลยเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมามันจะร้อนขึ้นมาที่ใจอย่างขณะนี้ญาติโยมนั่งอยู่เนี่ยมันเย็นมันสบายใช่ไหมแต่ถ้าเกิดใครมาทำอะไรเข้าให้เราไม่สบายใจขึ้นมาเนี่ยใจมันจะร้อนขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่ไม่มีสติบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราทุกข์แต่ถ้าเรามีสติเราได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยเเราก็จะเกิดปัญญาเราเริ่มรู้ว่าอ๋อเวลาเราไม่สบายใจนี่แหละคือความทุกข์แล้วอแล้วความทุกข์ของเราเนี่ยในใจมันก็มีเหตุของมันด้วยเหตุมันไม่ได้เกิดจากภายนอกเหตุที่แท้จริงมันเกิดจากภายในใจเรานั่นเองถ้าว่าเหตุของความทุกข์นั่นก็มีอยู่สามคือตัณหาทั้งสามความอยากได้ อยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอยากจะได้ข้าวของต่างๆนานาเห็นเสื้อผ้าสวยๆงามๆก็อยากจะได้แหละอันนี้พอมันอยากปับ๊บมันก็ร้อนขึ้นมาละอยู่ไม่สุขละอยู่เฉยๆไม่ได้ ล, มมละถ้าสมมติเปิดโทรทัศน์ดูเห็นก็โฆษณาอะไรเนี่ยเขาบอกเบอร์โทรศัพท์ว่าโทรมาเบอร์นี้นะซื้อของอันนี้จะลดราคาให้อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วรีบโทรกันวุ่นไปหมดเลยเนี่ย <Evet. S 2> เพราะใจมันไม่สุขมันใจมันร้อนละใจมันไม่นิ่องละใจมันไม่สงบเนี่ย เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วทุกข์ที่เกิดจากความอยากแล้ว อ, อยากมีอยากเป็นอย่างนี้พอรู้ว่าถ้ามีโอกาสที่จะได้เป็นนายกขึ้นมาเนี่ยนั่งอยู่ เ, เฉยเไม่ได้แล้วต้องรีบไปหาเสียงแล้วไปเลือกตั้งเลือกอะไรกันวุ่นไปหมดแล้วเพื่อที่จะได้มาเป็นนายก mm hmm. แทนที่จะอยู่เฉยเฉยแล้วให้มันมาหาเรานี่มันทําไม่ได้ทําใจไม่ได้แต่ถ้าคนไม่อยากเขาเฉยเฉยเขานั่งเฉยเมาก็ได้ไม่มาก็ได้ใช่ไหม mm hmm. เขาไม่เดือดร้อนเขาอยู่เป็นสุขเพราะไม่มีความอยาก แต่ถ้าคนอยากแล้วมันอยู่เฉยๆไม่ได้มันทุกข์แล้วเนี่ยมันรอนละเพราะฉะนั้นความความทุกข์มันมันเกิดที่ใจเราแล้วก็สาเหตุของความทุกข์มันก็เกิดในใจเราก็คือความอยากทั้งหลายอย่างถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่ทุกข์หรอกสมมติเราเราอิ่มเรื่องนี้เกิดใครเรากินข้าวอิ่มปื้เลยจะกินข้าวเข้าไปสักคํานึ่งก็ไม่ได้ต่อให้ใครเขายกโต๊ะจีนมาตั้งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราก็กินไม่ลงเนี่ย แล้วก็ไม่อยากกับมันแล้วก็เฉยเฉยกับมันแต่ถ้าเราไม่ได้กินข้าวมาสักสองมื้อสามมื้ออันเงี้ยอย่าว่าแต่โต๊ะจีเลยข้าวเปล่าเ่ากับกล้วยอย่างเี้บางทียังวิ่งเข้าตะคุบหาเลยเพราะความอยากมันผ่าไปทําให้แล้วความความทุกข์ก็หมายความว่าความอยู่ไม่สุขนั่นเองนเควาอยู่ไม่เป็นสุขคนเราถ้าอยู่นิ่งๆเฉยเฉยได้มีความสุขแล้วคนนั้นก็ไม่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์มันอยู่ที่ใจแล้วสาเหตุของความทุกข์มันก็เกิดภายในใจเรา แล้วการดับทุกข์มันก็ดับที่ใจเราเองแล้วสิ่งที่จะดับทุกข์มันก็อยู่ในใจเราสิ่งที่ดับทุกข์เราเรียกว่ามรรคมรรคนี้คืออะไรมัร ก, ก็คือปัญญาสติปัญญาที่เราพูดถึงเนี่ยขอให้เรารู้ว่าไอ้ความทุกข์ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความอยากเพราะฉะนั้นเราก็ดับความอยากเสียเช่นพอเรารู้ได้สติว่าอ้อเรากำลังทุกข์นะเราอย่าไปอยากกับมันแล้วก็ดับได้เช่นเราอยากจะกินอะไรขึ้นมาเนี่ยทั้งๆ ท, ที่เราอิ่มแล้วเนี่ย เห็นก็าโฆษณาว่าอาหารอย่างนี้อร่อยก็อยากจะวิ่งไปเปิดตู้เย็นเย็บมากินเนี่แต่พอเราได้สติบอกว่าเฮ้ยเราเพิ่งกินไปหยกหยกนะกินเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันอ้วนนะเดี๋ยวน้ําหนักมันจะเพิ่มนะเดี๋ยวไขมันมันจะเพิ่มเดี๋ยวความดันมันจะเพิ่มเดี๋ยวจะตายเร็วนะอถ้ามันคิดอย่างนี้แล้วมันหยุดได้มันเบรกได้มันก็ระงับความอยากได้มันระงับได้ใจมันก็ตั้งมั่นอยู่มันก็สงบนี่แหละก็คือปัญญาในทางพุฒิศาสนา ทางปัญญาท่านขอให้ดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงนะ<ม>เป็นทุกข์น ะ, ะอย่าไปหลงอย่าไปติดมัน<ะ>กลับมาที่เดิมเนี่ยกลับมาถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสทังสัมผัสเรื่องข้าวของเงินทองหรืองลาบยศสารเสริญสุขเนี่ยที่พวกเราทั้งหลายชอบกันนักได้เงินได้ทองแล้วรู้สึกว่ามีความสุขเหลือเกินแต่ทางาศาสนาทางของทางของคนที่มีปัญญาแล้วเขาบอเงินทองนี่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ คือถ้ามันมีเกินความจําเป็นเนี่ยถ้าเรามีไว้สําหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วเลี้ยงอัตภาพร่างกายเราไปนี้มันก็เป็นสิ่งจําเป็นมันก็ไม่เป็นความทุกข์แต่ถ้ามันมีมากกว่านั้นแล้วมันวุ่นวายแล้วมันร้อนมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้มีเงินทองอยู่ในกระเป๋าแล้วมันร้อนมันจะต้องออกไปใช้มันถึงจะรู้สึกว่าถ้ามันอยู่ในกระเป๋าแล้วมันทําให้ร้อนไม่หมดทั้งตัวแต่ถ้าออกไปได้ไปซื้อข้าวซื้อของไปได้ไปใช้มันให้มันหมดแล้วที่สบายแล้วถ้าหมดเมื่อไหร่ก็กำมานอนกายหน้าฝผ่งเพมื่อนั้นะ เพราะว่ามันไม่มีเงินที่จะใช้แล้วทุกมันก็หมดไป <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเงินทองลาบยศ ส, สันตเสริญสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่แท้จริงนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันมีเกิดขึ้นได้มันมีดับได้ <c oughs> คนเราเวลารวยก็มีความสุขอยู่แต่พอจนลงมาก็ทุกมากใช่ไหมเวลาเงินทองหมดไปเนี่ยไม่มีอะไรจะทุกเท่าแต่ถ้าคนที่เราเคยอยู่ด้วยที่ไม่มีเงินมีทองเนี่ย อยู่แบบไม่มีเงินมีทองแบบพระเนี่ยท่านอยู่กันเนี่ยท่านก็เม็นเดือดร้อนอะไรท่านก็อยู่ได้เพียง <Yeah. S 1> แต่ว่าขอให้มีข้าวกินไปวันวันหนึ่งก็พอแล้วเพราะฉะนั้นต้องขอฝากให้ทราบไว้ว่าขอให้ใช้ปัญญาให้เกิดความเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือการไม่อยากในอะไรทั้งสิน้นทั้งปวงนั่นเองละความโลภละความโกรธละความหลงละตันหาทั้งหลาย ละการมาตัญหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสนีละในความอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากเป็นในร้อยอยากอยากเป็นในพันอยากอยากเป็นอาทิย์บดีอยากจะเป็นนางงามจักรวาลหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องวิ่งไปหาสิ่งเหล่านั้นนะถ้าเราไม่อยากเราก็อยู่เฉยๆเราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นโทษของท้องเหตุ ข, ของความทุกข์ก็คือความอยากทั้งหลายนั่นเอง แล้ววิธีจะดับก็ใช้สติปัญญาให้เห็นว่าสิ่งเ่านี้นเป็นของที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ในใจของเราใจที่สงบระงับดับตัณหาทั้งหลายนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทำทั้ง5ที่ได้แสดงไว้ก็คือมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราจะมีเครื่องมือที่จะสามารถที่จะใช้ดับกิเลสดับความทุกข์ ได้ภายในจิตใจของเราฉนั้นก็ขอปากธรรมะทั้งห้านี้ให้ญาติโยมนำมา ก, กับไปจเจริญให้มากเพื่อผลคือความสุขความจเจริญที่แท้จริงย่อมเป็นแก่ญาติโยมโดยทั่วกันอย่างแน่นอนก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้คนเรานั้นประกอบขึ้นด้วยสองสิ่งด้วยกันคือมีทั้งกายและมีทั้งใจแต่ละสิ่งก็ต้องมีเครื่อง ปัจจัยที่จะเยียวยาพยุงรักษาให้สามารถอยู่ได้สามารถเป็นไปด้วยความสุขด้วยความสบายร่างกายเราก็มีความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสีปัจจัย4ี่นั่นก็คือหนึ่งเรื่องอาหารสองเรื่องที่อยู่อาศัยสเรื่องเครื่องนึ่งหม่มสี่ก็เรื่องยารักษาโรคถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว ร่างกายย่อมไม่สามารถอยู่ได้อย่างปกติอันนี้เราเรียกว่าปัจจัยสี่ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับร่างกายถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วร่างกายก็จะเกิดอาการบกพร่องอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะถึงแก่ชีวิตก็ได้อย่างถ้าเราขาดอาหารมากๆไม่มีอาหารรับประทานอย่างเราเ ค, เคยได้ยินได้ฟังมาตามข่าวต่างๆเช่นตาม ที่เขามีการอดอยากขาดแคลนทางด้านอาหารถ้ามันถึงขีดจำกัดถึงขีดเต็มที่ร่างกายก็อยู่ไม่ได้ร่างกายก็ต้องตายฉันใดจิตใจของเราก็ฉันนั้นจิตใจก็ต้องมีอาหารไว้สำหรับดูแลรักษาให้จิตใจนั้นมีความสดชื่นมีความกระปรี้กระเป๋าแต่อาหารของจิตใจนั้นไม่ใช่เป็นอาหารของร่างกายต่างกัน อาหารของจิตใจนี้ต้องเป็นบุญเป็นกุศลถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลแล้วจิตใจจะเป็นจิตใจที่เหี่ยวแห้งสังเกตดูคนที่ไม่เคยรู้จักการทำบุญทำทานไม่รักษาศีลมีแต่ท ร, รมาหากินกอบโกยอาจจะมีความร่ำรวยอย่างมากแต่ไม่เคยทำบุญทำทานไม่เคยช่วยเหลือใครเวลาทรมาหากินก็อาจจะทำด้วยความผิดศีลผิดธรรมเบียดเบียนผู้อื่น มีความร่ำรวยมากสามารถที่จะเอาเงินทองเหล่านี้ไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารไปเที่ยวไปหาความสุขแต่เป็นความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่มีความอิ่มเป็นความสุขที่ไม่เป็นความสุขที่เย็นแต่เป็นความสุขที่รุ่มร้อนเพราะเป็นความสุขที่เกิดจากตัณหากิเลสตัณหาอาสวะความอยากทั้งหลายมันก็มีแต่ความสุขในขณะที่สัมผัสแต่เมื่อผ่านไปแล้ว ทิ้งไว้ด้วยความอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวทิ้งไว้ด้วยความหิวกระหายซึ่งจะต้องพยายามไปหาสิ่งใหม่ๆอย่างอื่นมามาให้อีกเสมอนี่คือลักษณะของความสุขที่เราได้จากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ่นกายที่เราเรียกว่าการมาสุขมันเป็นความสุขที่แฝงอยู่ด้วยความทุกข์เพราะว่ามันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอน คืออนิจจังตั้งอยู่บนพื้นฐานของอนัตตาคือการที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมความสุขเหล่านี้ได้เมื่อเมื่อเราได้มาเราก็มีความสุขใจและเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดชำรุดหายไปหรือตายจากไปมันก็สร้างความทุกข์ให้กับเรานี่คือความสุขที่เป็นความสุขที่ประกอบไปด้วยความรุ่มร้อนเพราะเกิดจากความอยากเวลาเกิดความอยากแล้ว ใจจะร้อนใจจะอยู่นิ่งไม่ได้ใจจะไม่มีความสุขจะต้องไปหาสิ่งนั้นๆมาเพื่อที่จะมาทำให้จิตใจนั้นได้รับความสุขแต่ก็เป็นความสุขแค่ชั่วประเดียวประดาวเมื่อผ่านไปแล้วก็ผ่านไป <c oughs> มันไม่ได้มีความจีรังถาวรไม่เหมือนกับความสุขที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมความสุขที่เกิดจากการทาบุญทำทาน รักษาศีลความสุขที่เกิดจากการทําจิตให้สงบที่เราเรียกทําทจิตให้เป็นสมาธิอันนี้เป็นความสุขที่เลิศเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นสุขที่เหนือสุขอื่นใดอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าลถแห่งธรรมะชนะลดทั้งปวงคําว่าลถแห่งธรรมะนี้ก็หมายถึงความสงบสุขของจิตใจนั่นเองถ้าจิตใจไ ด, ได้รับความสงบแล้วจิตใจจะมีความ เย็นมีความสบายมีความอิ่มเอิบใจเป็นความสุขที่ไม่ต้องการสิ่งอื่นใดเหมือนกับน้ำที่เต็มแก้วเมื่อน้ำเต็มแก้วแล้วจะเทอะไรเข้าไปอีกมันก็ไม่สามารถรับได้มันก็จะต้องมีแต่ล้นออกมาฉันใดความสุขของความสงบก็ฉันนั้นเป็นความสุขที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอิบใจส่วนความสุขของของการมาสุขนั้น ที่เกิดจากการได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เราชอบที่เรายินดีเป็นความสุขที่เหมือนกับน้ําในตุ่มที่มีรอยรั่วอยู่ตุ่มน้ําที่มีรอยรั่วอยู่นี้ถ้าเราเติมน้ำเข้าไปเติมให้เต็มแต่สักครู่หนึ่งตุ่มมันน้าก็จะค่อยๆพ่องลงไปเพราะมีรอยรั่วอยู่รอยรั่วนี้มันก็จะค่อยๆทําให้น้ํานี่ไหลซึมออกไปทําให้น้ําในตุ่มนั้นค่อยๆหมดไป ไม่เต็มเดี๋ยวเดี๋ยวก็พร่องไปฉันใดก็ฉันนั้นความสุขที่เราได้รับจากการที่เราไปดูรูปไปฟังเสียงที่เราชอบที่เรายินดีเช่นเราไปเที่ยวดูหนังดูละครไปดูคอนเสิร์ตไปดูการละเล่นต่างๆอย่างนี้เวลาเราไปเราก็มีความสนุกเราก็มีความเพลิดเพลินเราก็มีความสุขแต่มันเป็นความสุขชั่วขณะนั้นหลังจากที่เรากลับมาจาก การไปดูแล้วเราก็เกิดความอยากที่จะไปอีกเช่นวันรุ่งขึ้นก็อยากจะไปอีกแล้วถ้าไม่ได้ไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะว่าเมื่อมีความอยากแล้วไม่ได้สนองความอยากนั้นมันก็จะสร้างความทุกข์ใจให้กับเราเปรียบเหมือนกับที่เราเติมน้ำใส่ตุ่มที่มันรั่วเติมเข้าไปท่าไหลมันก็ไม่มีทางที่จะเต็มได้เพราะเติม้าไปแล้วเดี๋ยวสักระยะหนึ่งมันก็จะระดับน้ามันก็จะลดลงไป ฉันใดความสุขทางด้านการมาสุขกระฉันนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราพยายามให้เห็นโทษของการมาสุขให้เห็นว่ามันเป็นทรมทุกข์มันไม่ใช่เป็นความสุขความสุขที่แท้จริงนั้นต้องเกิดจากความสงบสุขของจิตใจและความสงบสุขของจิตใจนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสร้างบุญสร้างกุศลประพฤติปฏิบัติธรรมเริ่มต้นด้วยกระตากันทำบุญให้ทานการให้ทานนี้ท่านก็บอกว่า มีสิ่งที่เราจะสามารถให้ได้อยู่สอย่างด้วยกันอย่างแรกเราเรียกว่าวัตถุทานวัตถุทานก็คือข้าวของเงินทองทั้งหลายที่ประกอบขึ้นมาด้วยวัตถุต่างๆ mm. เช่นเราเอาใส่บาทตักบาทเอาอาหารมาถวายพระถวายผ้าจีวรเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคสร้างคุติวิหารอะไรต่างๆอันนี้สิ่งเัลนี้เราเรียกว่าเป็นวัตถุทาน ทานอย่างอีกชนิดหนึ่งเราเรียกว่าวิทยาทานวิทยาทานก็คือการให้ความรู้การศึกษาให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้การศึกษาได้วความรู้เช่นถ้าเรามีความรู้ในวิชาการต่างๆเราอาจจะไปเป็นครูเป็นอาจารย์สอนโดยที่เราไม่คิดเงินคิดทองอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการให้วิทยาทานหรือว่าถ้าเราถ้าเรารู้จักคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเด็กด้อยโอกาส แต่เด็กอยากจะเรียนหนังสือพ่อแม่ไม่มีเงินทองส่งเขาลำเรียนเราให้ทุนการศึกษากับเด็กนั้นก็ถือว่าเป็นการให้วิทยาทานแล้วก็อันนี้ก็เรียกว่าวิทยาทานส่วนทานอีกอย่างหนึ่งเราเรียกว่าอาภัยทานการอาภัยทานก็คือการให้การอาภัยต่อผู้ที่เขาทำอะไรที่ละเมิดล่วงเกินเราคือบางทีเขาอาจจะว่าเรา เลือกกระทำอะไรต่างๆนานาให้เราเกิดความเจ็บช้ำน้ําใจแต่เราเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีเชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนว่าไม่มีอะไรดีกว่าการให้การให้นั้นทําให้จิตใจเย็นแต่การการเอาชนะกันนี่กับทําให้จิตใจร้อนเพราะฉะนั้นเราก็ยินดีที่จะให้